ต่อไปคำว่าพังคานุปสเนปัญญาวิปสเนยานังความว่าปัญญาใดรู้ในการตามเห็นความดับแห่งญาณที่เกิดขึ้นแล้วเพราะพิจารณาอารมณ์ของญาณ น, นั้นโดยความเป็นพังคะคือแตกดับไปญาณ น, นั้นท่านกล่าวว่าวิปสเนยานังญาณในวิปัสนาคือตามเห็นไ อ, ไอตามเห็นขันเนี่ยนะคืออารมณ์เนี่ยโดยอนุปัสนาเจตแล้วยังตามเห็นญาณ น, นั้นแหละอีกโดย อนุปัสนาเจตอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นความซับซ้อนมากเลยนะเรียกว่าลึกซึ้งมากอนะก็บอกว่าสิ่งที่ถูกคิดก็ไม่เที่ยงเหนะหมสมมติว่าคิดถึงอารมณ์หนึ่งคือรูปารมณ์รูปก็ไม่เที่ยงโดยอนุปัสนาเจตแล้วก็ตามเห็นว่าจิตที่ไปคิดอารมณ์นั้นอ่ะก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นไหมโดยอนุปัสนาเจตเนี่ยนะท่นก็เครียกว่าต้องการปลดปลดเต็มที่อ่ะหลังนั้นเถอะต้องการปลดต้องการปล่อยจาก จากขันห้าจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่เห็นอย่างนี้ถือว่าขันห้ามันเป็นมหาภาระเนี่ยนะมหาภาระมหาบริหารมหาวิการมหาทุกขมหาโทษอยู่ในนั่นหมดเลยนะยเนื้อความแห่งวิปัสสนาญาณนั้นดังต่อไปนี้คําว่าปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความแตกดับไปเป็นวิปัสสนาญาณทั้งคําว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยนะเน้นว่าปัญญาที่ไปเห็นอารมณ์นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา ตามเห็นโดยความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความดับความสละคืนแล้วการเห็นจิตที่พิจารณานั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเห็นโดยความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความดับและสละคืนจากความคิดนั้นอีกนะเนีก็โอหใครทําได้นะมีบุญมากเลยนะโอ<ห>้โหเขาอัธยาสายวิวัตตะแรงกล้ามา ก, ก น, นะเป็นคนที่ไม่กำหนัดแม้กระทั่งปกตินะใครที่กุศลจิตเกิดมากมากนี่ก็ถือว่าเยี่ยมเลยใช่ไหม คนนี้ไม่ติดแม้ใ น, นกุศลอีกนะกระาว่าคนจะทําชาญให้ได้นี่ก็ยากเลยนะแล้วพิจารณาเห็นชานนี่นแหละตัวโรคอย่างนี้นะตัวชานนั่นแหละคือโรคงนนี่ไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นทั้งสมถะวิปัสสนาก็เป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นโรคเป็นด่างหัวฝีมีค่าเท่ากันหมดสังขารธรรมเนี่ยนะตอบท่านกระาว่าเป็นพวกมหาบุรุษจริงๆเนี่ยท่านกล่าวไว้เพราะพิพจารณาอารมณ์ตามในที่กล่าวไว้แล้วว่า การพิจารณาการรู้การเห็นซึ่งอารมณ์ก็วิปัสชนาย่อมถึงยอดแห่งพังคานุปัสสนานั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวคํานี้ไว้เป็นพิเศษว่าวิปัสเนยา น, นังแปลว่ายานในวิปัสนาตัวนี้คือพังคานุปัสสนานั่นเองพังคานุปัสสนานั้นรายละเอียดคือตามเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามอนุปัสนาเจ็ดแล้วตามเห็นจิตหรือยานที่ไปพิจารณาโดยอนุปัสนาเจ็ดอีกครั้งหนึ่ง ถามว่าแล้พยัญชนะชี้ชัดอย่างเงี้ยดูได้ที่ไหนก็ดูได้ในหน้า692เป็นต้นเนี่ยนะซึ่งจะได้กล่าวครั้งต่อไปซึ่งตรงนี้เอาเป็นเรื่องตัวอย่างทั้งนั้นนะใครยังไม่เข้าใจอย่าเพิ่งไปเดือดร้อนใจอะไรมากมายถ้าเดือดร้อนแล้วเป็นกุศลก็เดือดไปเถอะแต่ว่าเดือดแล้วมันจะเลิกสิอะก็อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นประเภทอุเทนนะใครที่ฟังแล้วเข้าใจได้ก็โหมีบุญมากแต่ถ้ายังไม่เข้าใจก็ รีบไปมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเรต้องรออีกหน่อยที่ตั้งกล่าวว่าในดีกาวิสุดิ์มาแสดงว่ามีอนุมาณญาณนยค่ับปัจจะยะปริคหายา อ, อสัมมาสัะญาณเนี่ยเป็นอนุมานยังเป็นกลุ่มอนุมานญาณอยู่ถ้าอุทยพยายาณขึ้นไปแล้วครับมันมี ท, ทั้งทั้งทั้งเห็นจริงๆแล้วทั้งอนุมาณด้วย แต่ว่าเป็นที่เรียกว่าเป็นอนุมานแบบไม่ใช่เอาอยังงี้นียอย่างปูขงป่ของปู่ของปู่ของเราก็ตายมาหมดแล้วเนี่ยนะถามว่าเราจะรู้ได้ไหมว่าหลานของหลานของหลานของหลานเราเกิดมามันจะต้องตายเหมือนกันถามว่าเป็นการอนุมานที่จริงหรือไม่จริงจริงครับจริงแต่อยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าไปตามเห็นแบบอา่อา อ, าอาดีต ป, ปู่ของปู่ของปู่ตายไปแล้วด้วยอตีตังสยานอยางเนี้ยนะแบบแบบ แบบอภิญญาอนาคตเลนห้องเลนห้งเลนจะกตายหมดนั่นแหละด้วยอนาคตังพยานอย่างเงี้ยแล้วคนที่กําลังตายนั้นกำหนดไอ้คนนั้นจุติแล้วจุตีแล้วจูตีแล้วคนนั้นกําลังถูกเผาเป็นต้นด้วยอะไรด้วยอภินญายาที่ประจักษ์ขยานเป็นต้นไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่เป็นยาเป็นการประมวลตามเหตุผลที่มีอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงจอิงการประมวลเหตุผลอย่างนี้เนี่ยนะเหตุผลคืออะไรจุดประสงค์ต้องไม่ลืมว่า เธอประพฤติธรรมปรย์นในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อการจัดฉันทราฆาในขันห้าเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยคิดยังไงจึงจะเลิกยึดถือขันห้าได้นั่นแหละคือวิปัสสนาละ่ะนั่นแหละคือการเจริญปัญญาเพราะวัตถุประสงค์ของการเจริญวิปัสสนาหรือปัญญาเพื่อตัดฉันทราฆาในขันห้าตามพุพทธพจนว่าขันห้าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละขันห้าเสีย ขันห้าที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เรียกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านะขัดกับชาวโลกเป็นอย่างมากชาวโลกเขาถือว่าโอโ้การมีขันห้าเป็นสุขอย่างยิ่งใช่ไหมการพาดัดลาดจากขันห้าเป็นเป็นทุกข์มากเลยนะก็ทุกข์มากแต่นี้บอกว่าโอโ้การไม่มีขันห้าเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นคําของพระอริย ก, กับปุถุชนนี่ขัดกันมาตลอดเนี่ยนะต่อไปว่า มัคคามัคคยานทัศนะย่อมเกิดแก่พระโยคีบุคคลผู้ได้อุทยพยานุปาานัสนาญาณเพราะฉะนั้นเมื่ออุทยพยานุปัสนาญาณสำเร็จแล้วมัคคามัคคายานทัศนานั้นก็ย่อมสำเร็จด้วยคำนั้นท่านนี้ได้กล่าวไว้เลยก็เพิง่งทราบ ว, ว่าวิปาาัสนาญาณญาณมีวิปัสนาเป็นยอดท่านกล่าวไว้แล้วด้วยพังคานุปาานัสนาญาณโดยลําดับญาณเนี่ยตาม ปฏิสมทิฐานมร์เนี่ยแสดงหัวข้อไว้แบบลัดๆจริงๆแล้วระหว่างเนี่ยมีรายละเอียดอีกเยอะมันเหมือนกับว่าเดินทางเลยน ะ, ะเดินทางไปเชียงใหม่พักอยู่ที่นครสวรรค์ลแล้วก็รุ่งเช้าถึงเชียงใหม่เลยนะเดินทางเย็นเนี่ยค้างที่นครสวรรค์นะพรุ่งนี้ถึงเชียงใหม่แล้วไม่ผ่านจังหวัดอื่นๆเลยหรือผ่านแต่ว่าไม่ประสงค์จะพูดเนี่ยนะเอาเฉพาะตรงใหญ่ๆที่จะแสดงเป็นเกณฑ์ให้รู้ว่าระหว่างเกิดดับกับพังคานุปัสนายามเนี่ย มันมีวิปัสสนูปกล็สขั้นอยู่ในระหว่างอยู่นะแต่ไม่พูดก็รู้กันว่ามันมีอยู่ในในช่วงนั้นอยู่ยเพราะฉะนั้นเมื่อสังขารทั้งหลายอันพโยคีบุคคลผู้กำหนดซึ่งอุทยพยะอันตามเห็นแจ้งแล้วด้วยอุทยพยานุปัสนาแล้วก็ปรากฏขึ้นโดยพลันทีเดียวเมื่อยานแก่กล้าอยู่สติก็ละอุทยคือความเกิดนะนะแล้วตั้งอยู่ในพังคะคือความดับอย่างเดียว ทางกานุตตะสนายานก็ย่อมเกิดขึ้นได้ในฐานะนี้แก่พโยคีบุคคลนั้นผู้เห็นอยู่ว่าธรรมดาสังขารธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ก็ย่อมดับไปอย่างนี้เห็นไหมก็เกิดอย่างนี้นะดับไปอย่างนี้สรุปเกิดโดยอาการเท่าไหร่ยี่สิบห้าดับไปโดยอาการเท่าไหร่ยี่สิบห้าถ้าถ้าลองมามาคิดเปรียบเทียบแบบง่ายๆเลยนะตากับสีเป็นรู ป, ปขัน ตาของเราที่มองเห็นอยู่นี้เกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการห้าเห็นไหมเกิดด้วยอาการห้าดับโดยอาการห้าเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ย อ, อาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขู่วิญญาณไว้จากขู่วิญญาณนี้ก็เกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการห้านะธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะผัสสะอันนี้เรียกว่าสังขารขนันก็เกิดโดยอาการห้าดับไปโดยอาการห้า แล้วก็ภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาขันเพราะเวทนาก็เกิดโดยอาการห้าดับไปโดยอาการห้าแล้วก็ภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดสัญญาขันสัญญาก็เกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการห้าคิดดูนะรายละเอียดจะลึกซึ้งขนาดไหนนะแค่ธรรมดาเนี่เห็นธรรมดาเนี่ยเอาเกิดดับโดยอาการห้าสร็มาคิดดูนะเพราะที่เรียกว่าจําเป็นต้องการสมาธิก่อนเป็นอย่างยิ่งถ้าสมาธิไว้ก่อนไม่ดีเนี่ยนะ อะไรต่อปัญญาในี่ใกล้กับความพุ่งซ่าดเอ่อตอนนี้ก็มีคนสงสัยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็เอ่อไม่มีการเน้นเรื่องของสมาธิแต่พอมาฟังแล้วก็เริ่มรักษาศีลเริ่มบางคนก็เริ่มทำนั่งสมาธินะคะก็เลยสงสัยกันมีปัญหาว่าไปนั่งทําไม ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้นั่งแล้วมันก็จะเป็นตัวตนบ้างเปอะไรบ้างแต่ตอนนี้จะมาเน้นนั่งสมาธินี่ครัจะมีประโยชน์หรือว่าจะมีโทษอะไรบ้างไหมครับคืออย่างเมื่อกี้เนี่ยเน้นคําว่าสมาธิเนี่ยนะว่าสมาธิจึงจําเป็นมากแต่ทีนี้ว่าสมาธิภาษาไทยมันนึกได้อยู่ภาพเดียวคือภาพนั่งนะถามว่าสมาธิคืออะไรคือการนั่งแต่อย่างก็ว่าตอนนี้โยมยืนอยู่คนเดียวมั้งข้างหลังที่เหลือ น, นั่งเกือบหมด ฟัลให้เห็นว่าตัวสมาธิไม่ใช่ตัวนั่งไม่ใช่ตัวยืนตัวเดินตัวนอนเพราะเป็นอิริยาบทอิริยาบทเป็นรูปแต่ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตและเจตสิกเรียกว่าสมาธิทํายังไงจิตเจตสิกจริงจะไม่ฟุ้งซ่านอ่ะอานะเอาเรื่องพระพุทธเจ้ามาคิดสิว่าง่ายๆเลยนะพูดแบบภาษาไทายๆเราเนี่ยทํายังไงจะเลิกฟุ้งซ่านคุณไปรู้จักสวดมนต์ไหว้พระซะบ้างอย่างเงี้ยนะ อันนี้แบบพโมแบบหยาบที่สุดเลยนะถ้าละเอียดนะเอาคุณก็สวดอยู่แล้วคุณก็มัลติแปลที่ว่าอารหังหมายคำว่ายังไงมาคิดเรื่องนี้บ่อยๆสัมมาสัมพุทโธเปนความหมายยังไงสัมมาสัมพุทโธการเจริญแบบ น, นี้แหละเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานเนี่แหละคือการเจริญสมาธิดันั้นคุณทําได้ตอนเดินก็เดินทำเถอะยืนได้ทําก็ทําไปเถอดนั่งได้ทําก็ทําไปเถอะนอนเบียดเสียด บ, บุตรภรยายได้ก็เดินเดินเดินไปเถอะเห็นมแต่นะมําทำยากแค่ไหน พระ อ, องค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าทําได้ไหมล่ะสําคัญพระ อ, องค์จริงสอนเรื่องอิริยาบทสปายะเป็นต้นบุคคลสปายะเสนาสนะสปายะนะแต่ถ้าทําได้จริงๆก็เครียกว่าวางแก้วเหล้าแ ล, แล้วปฏิบัติบรร ล, ลุได้ก็ทําไปเถอะท่านแน่ใจนะแต่แปลบายไม่รับรองนะของใครก็ของใครละ <c oughs> จะไปเรียนแบบเจ้าสอนการนี่อยู่คนเดียวนะจะ <c oughs> วางแก้วเหล้าลได้นะแกเจริญบริธรรมศีลให้บริบูรณ์ได้อะ่ะ ถ้าเป็นคารวาเขาไม่ใช่พระพิสูจนะ์ะแต่เขาก็เก่งมากอะนะก็วางแก้วเหล้าได้ก่อนตายในสมาทานทำสิกขาให้บริบูรณ์เป็นทโสดาบันได้เออเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อไหมว่าทั้งหมดเลยนะในผู้ศาสนาเนี่ยมีอยู่ท่านเดียวนะเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้เราไม่ต้องไปเรียนแบบหรอกเสียงมากเลยอ่ะ <c oughs> แปลว่าไม่เคยดูหนังสือเลยสอบได้เนี่ยนะงเราอย่าไปเรียนแบบคนประเภทนี้เลยอ่ะเรียนแบบไปแย่แนนะ่ กันอย่างพระพายะก็มีอยู่คนรูปเดียวอนะในศาสนาเนี่ยพระพายะก็มีอยู่รูปเดียวก็เรียนแบบพระพาหิยะนางวิสาขาก็มีอยู่คนเดียวอ่ะนะก็ชอบเรียนแบบนางวิสาขาอย่างนี้ย้อนมาว่าคําว่าสมาธิเนี่ยเน้นว่าความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตและเจตสิกเนี่ยนะจิตเจตสิกไม่เกลื่อนเกล่วนกระจัดกระจายวุ่นวายไปด้วยอํานาจอากุศลวิตกถามว่าเจริญสมาธิคืออะไรจิตไม่เป็นไปกับอกุศลวิตตกสาม และไม่ใช่หลับนั่นแหละไปทําอะไรก็ได้เนี่ยแหละคือสมาธิเห็นไหมอะไรมาคิดนี่เอาคิดเรื่องธาตุดินนะที่จะน่าเรื่องธาตุดินเออธาตุดินภายในกับธาตุดินภายนอกถ้าธาตุดินภายในมีอะไรบ้างผมคนเล็บฟานนั่งเอาเรื่องเนี้ยมาคิดเพื่อกำจัดอกุศลวิตตกถ้ากุศลแจิตเกิดได้บ่อยเกิดได้ต่อเนื่องนะเอกับขตาจะเริ่มมีกําลังขึ้นมีกําลังขึ้นโดยธรรมชาติเองเน็นไนะ ที่ที่เราท่านทั้งหลายตอนนี้เอกคตาไม่มีกําลังเนื่องจากอุทธะมันเกิดร่วมตลอดมันตัดอุปนิสัยออกไปขอให้ละแค่อุทธะได้นะอุทธัะไม่เกิดร่วมให้จิตเป็นกุศลเถอะถ้าจิตเป็นกุศลได้ต่อเ น, นื่องนะแล้วสมาธิจะดีเองแต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยเ อ, อเป็นสมัยพุทธกาลถ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญมากเมีอภินิหารมาก พรองค์ปรับให้อุตุอุณภูมิอยู่ระดับใดก็ได้ในในสังคมสิ่งแวดล้อมขนาดนั้นนะกําหนดอุณหภูมิได้กําหนดรูปได้กําหนดอะไรได้ตั้งเยอะแยะด้วยอำนาจอภิญิหารที่พระองค์บาเพ็ญไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วพระองค์สามารถแสดงธรรมแล้วเขาไม่ง่วงได้ทั้งคืนอะ่ะเพราะเขาเก่งขนาดนั้นเนี่ยนะตื่นตัวได้ตลอดฟังเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วทุกคนฟังเนี่ยแปลเป็นภาษาของตัวเองตัวเองทุก เ, เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเทศให้เขาฟังอยู่คนเดียว เขามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเขาติดตามเรื่องได้ตลอดไม่ฟุ้งแฟ่งนเนี่ยเขาเขาจึงสามารถตรัสรู้ทำได้แต่ของเราเนี่ยแถวเขามาฟังทำนี่คิดถึงบ้านกี่ครั้งแล้วนะคิดถึงงานอื่นที่ไม่ใช่ฟังทำนี่กี่เรื่องแล้วล่ะนะก็สมควรแล้วล่ะ